ด้วยความ 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้มันเกิดขึ้น 20 จังหวัด 95 สถานีขอ อีสานม้วนซึน 8 ความ 30 ให้แผ่น น. สวัสดี วันนี้ FM 95.25 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับโดยมีผมบุญ โดยท่านผู้ว่าราชการวิโรจน์จิวรังษ์สันต์ 20 จังหวัดครับรายการอีสานม่วนซื่น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 257 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สําหรับ 3 ที่ผมได้ 2 เดือน 20 22 พฤษภาคมจนถึง ความสุขของ 1 ที่ได้ผ่านพ้น 2 โดย 2 และพลตรี ได้ร่วม 89 เวทีและ 13 อำเภอมา 8 กรกฎาคมที่ผ่าน ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยไปแล้วเสร็จในวันนั้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพี่น้องประชาชน เอ่อ 4-5 วันที่ผ่านมาก็คือว่า 26 27 นะ ถ้าวัด 2 วันเนี่ยก็ประมาณ 110 มม. 100 mm. แล มม. แล้ว mm. แล 2 อำเภอก็เมื่อคั้ง ก็ประมาณ 51 มม. ก็ถือ วันที่ 27 28 29 มิถุนายนชาวจังหวัดเลยโดยปี นะงานประเพณี 30,000 ขอให้รักกันอ่าตลอดชาติ 2 รักนี่คือสิ่ง 11 ภารกิจ ไม่ 22 พฤษภาคมแล้วก็การดําเนินการต่อผู้ที่กระทําไม่ การโหด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทําความ มาครั้งนี้ทุกคนมีๆมาตรการสามารถ เอ่อรัฐเป็นมนน์มากอาทิ 5,000 ไร่เพื่อ 12 สิงหาคมสิ่ง ได้รับป่าจากชาวอำเภอนาด้วงคืนมาเพื่อ ทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหาร 1,320,000 20 เรา 6 ปลายแล้ว 1 ล้านเมตรเม็ดในเขตพื้นที่อำเภอ นะฮะ คสช. ซึ่งคุณเอกไพบูลย์คุ้ม มาตรการ 2 การปรับ 3 คือการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเห็น เราก็จะได้ประชุมวางแผนกัน อีก 8 พฤศจิกายนที่ 11 ประเด็นที่จะนําไป ให้กฎหมายโปร่ง ส.ส. และ สว. ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่สังกัดห้าม ส.ส. เป็นรัฐมนตรีให้มีการปฏิรูป อันนี้ 2 การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหาร ต้องจริยธรรมวางตนเป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ ก็จะต้องมีการปรับปรุงกฎ การควบคุมราคา SME และสหกรณ์ให้เข้ม 11 ประเด็นผมนํามาเสนอให้ท่านทั้งหลาย สิ่งที่พี่น้องประชา 250 คนตามบทครับ 1 ที่เราได้ทํา 799 คดีผู้ 828 คนยาบ้า 2,357,41 เม็ดกัญชาแห้ง 1,246 กก. นะนี่ ส่วนในเรื่องของ 81 ครั้งออกตรวจเอ่อสหรัฐอเมริกา 81 ครั้ง 60 ครั้งล้าน 250 ครั้งนะฮะเป็นคร 56 ราย รวมทั้งปีใน 250 ลายแล้วซึ่งกำหนดไว้ 949 ลายการบําบัด 160 ล้านนะครับแล้ว อยู่ 196 รายแล้วก็ในเรือนจำ 100 รายนี่คือสิ่งที่ 12 ครั้งนี่คือส่วน นอกจาก 1 เรื่องที่เรามุ่งมั่นที่จะ นี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังเป็น 96 ทศ 2557 ลง 18 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจังหวัดเลยเองก็ได้ตั้ง 3 ส่วนงานคือส่วน 2 ท่าน นะฮะ 5 งานด้วยกันก็คือรับเรื่องราว ในเรื่องของรายงานต่างๆๆศูนย์พรหมทําก็จะช่วย ในการที่คืนความสุขให้ 31 กรกฎาคม 2557ณหอ ซึ่งมีเรามีเป้าหมายให้ 54,300 คนนะครับข้อในเช่นการลดดอกเบี้ย 6 เดือนการได้รับ ซึ่งใน 50 บาทนะครับซึ่งหน่วย 40 บาทนะฮะกระทรวง 4 บาทภาค 6 บาท อันนี้ 50 บาทค่าเกี่ยวข้าวลด 200 บาทจากราคาปกติซึ่ง ส่วนในเรื่องของมาตรการสนับสนุนก็เช่น 20,000 6 เดือนอัน เกษตรกรทั้งหลายนะทุกอาชีพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอประชุมอำเภอ 4 สิงหาคมในส่วนของปฏิรูปที่ดินสำนักงานการ ของสมเด็จพระก็จะจัดขึ้นเช่นเดียวกันเจ้าพระ 7 สิงหาคมก็ ที่จังหวัดเลยได้สนองเอ่อต่อ เพื่อแก้ปัญหาทางสิทธิ์ 21 พฤศจิกายนที่ประชุมเช่นในเรื่องการสร้างทางบายพาสซึ่ง ก็จะมีทางบายพาสซึ่งตรงเนี้ย หามาแหล่งท่องเที่ยวที่เชิง .army.army2.mi.th หรือ www.web หรือเว็บไซต์ของกองทัพภาคที่ 2 นั่นเองนะฮะท่าน 19 จังหวัดมา นะฮะทุกท่านครับขอให้คืน ทั้งทหาร 1 เขตเข 2 วันนี้สวัสดีครับบุญทมัสแสง ในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น. ถึง 8:30 น. ฟังเรื่องราวดีๆมี ที่ผูก FM 90.25 เมกะเฮิรตสวทนครพหลุๆ